ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาจรายศรีปฐุมกำลังนำเสนอพระสูตรในอุทานสืบต่อมาจนถึงพระสูตรในวรรคที่เจ็ดเรียกว่าปฏิยสูตรคือพระพัติญานั่นเป็น กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีโดยสกุลแล้วก็ถือว่ามีทรัพย์มากมีพลุกมีโภคะามากแต่รูปร่างของท่านไม่น่าเลื่อมใสผิวพรรณก็ไม่สวยงามไม่น่าดูแล้วก็เล็กแล้วก็ค่อมนะหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยไปเจอกับพระภิกษุสามเณร เรายัางนึกว่าท่านเป็นสามเณรยัยงมีพระไปล้อเล่นไปจับศีรษะเล่นทางที่ตอนนั้นท่านเป็นพระหันแล้ววนข้อความที่เกี่ยวกับท่านเนี่ยจึงต่อกันอยู่สองสูตรมาลีท่านก็เพิ่มปัทมาปติยสูตรทุติยาปฏิยสูตร แปล ว, ว่าประสูตรที่ว่าด้วยท่านพัทธิยะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองแต่ว่าเนื่องจากท่านมีรูปร่างดังกล่าวเนี่ยเพื่อนึงเรียกว่าละกุลทกะพัทธยะก็แปลว่าภัทธิยะที่มีรูปร่างเล็กเบี้ยมีข้อความโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่พระเจดวัน สมัยนั้นระษาริบุตรได้ชี้แจงให้ท่านพรละลักบุทธะพัตยยะเห็นแจ้งสมาทานอาฐานรื่นเริงให้ร่าเริงและทำมีกถาโดยอนเนกกระปรยายทีนี้ข้อความตรงเนี้ยที่จริงมันแบ่งออกเป็นสองช่วงนะฮะคือช่วงแรกเนี้ยท่พระสัตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยการมาฟังธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้าวิยังมองดูนะฮะว่าคนยุคนั้นเป็นคนหนุ่มๆสาวๆที่มาฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าพอะระบองในปัจจุบันมันก็ตรงกันข้ามเลยคือคนรุ่นหนุ่มสาวเขาไม่สนใจในเรื่องาศาสนากันเท่าที่ควรเป็นว้ยแต่นักเรียนที่ถูกบังคับโดยกฎ กติกาของโรงเรียนวันเมื่อได้ฟังเทศแล้วก็เกิดสถานเลื่มใสแล้วขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าในการต่อมาก็ได้ฟังธรรมในสำนักของพระสารีบุตรโดยในความก็คือว่า เมือ่อท่านบรรพชาบทสมุิแล้วก็เรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าและบำเพ็ญวิปัสสนาบรรลุมักผลเป็นระโซดาบันการเป็นพระยะบุคคลสามระดับแรกเนี่ยคือโซดาสกตาคานาคาเนี่ยท่านเรียกว่าเสขาคือยังต้องศึกษาเพื่อมักผลเบื้องสูงขึ้นไปและนาคามีเองก็ยังเป็นเสขา เพราะว่าต้องศึกษาเพื่อการบรรลุมรรคผลเป็นพระหรรก็พระเหล่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ยจะเข้าไปหาพระสารีบุตรไปเรียนกรรมฐานกับท่านสนทนาธรรมะกับท่านก็นแล้วแต่หมายความว่าบางพวกที่ยังไม่ได้ รู้หลักในการปฏิบัติก็ไปขอเรียนกรรมฐานบางพวกก็ขอให้ท่านช่วยแก้ปัญหาจะมีข้อข้องใจสงสัยไรก็ขอช่วยตอบปัญหาให้บางพวกก็ขอฟังทำพระเถระก็ได้ปฏิบัติไปตามความประสงค์ของท่านเหล่านั้น ตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพอย่างหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมในพุทธกาลเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเงื่อนไขปัจจัยองค์ประกอบต่างๆของสังคมที่แตกต่างกันก็ได้เพราะการศึกษาในสมัยนั้นมันต้องเรียนในมุขปาฐะการเรียนด้วยการฟังนี่เป็นหลักวันพระติรารูปใดที่มีความรอบรู้ฉเฉลียวฉลาดสามารถ ในการอถาธิบายขยายความของธรรมะพระก็เจ้าหาท่านเหล่านั้นอย่างบทบาทของพระโมคคัลลานะพระสาลีบุตรพราณ น, น์เนี่ยเป็นบทบาทที่เด่นพระท่านเหล่านี้สามารถที่จะชี้แจงอธิบายขยายความต่างๆได้เราจึงพบว่าบางครั้งเนี่ยพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ต้องการจะให้ ภิกษุทั้งหลายได้รู้จักคุณสมบัติของพระเถระบางรูปที่อยู่ในชนบทเช่นประมาณกระจายยานาเทระหรือที่เราเรียกว่าสังกัดจายเนี่ยก็ท่านอยู่ที่อุเชนีในวันทีชนบทพระในส่วนกลางก็ไม่รู้จักท่านเพราะว่าท่านอยู่ในปัจจันในชนบทแล้เมื่อท่านเข้ามาเนี่ย ก็พระเจ้าจะทรงแสดงธรรมะสั้นๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้โดยไม่อธิบายแล้วก็เพื่อให้พระได้สอบถามกับพระมหากจัจจายนะพระมหากจัจจายนะก็จะอธิบายตามแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายก็เป็นประเด็นที่ควรกําหนดไว้อีกประเด็นหนึ่งนะ ต่อการตอบปัญหาด้วยการชี้แจงหรือการอธิบายอะไรตามๆในด้านภาษาจะมีความหลากหลายออกไปแต่เนื้อหาต้องยุติด้วยพระบาลีพุทธวจนะถ้ามายุติด้วยบาลีพุทธวจนะก็ถือว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าพระธรรมเราดีพระเจ้าทรงสดสู้พระองค์เป็นพระธรรมราชาทรงอธิบายขยายความไว้ยังไง เราก็ต้องว่าไปตามนั้นโดยพ่ออย่างนี้ก็คือคงนื้อหาสาระเอาไว้ทีนี้ท่านก็บอกว่าพระที่เข้าไปพบพระสารีบุตรแล้วไปประพฤติปฏิบัติตามที่พระสารีบุตรแนะนำก็บรรลุผลเป็นระยะบุคคลชั้นต่างๆแต่ก็นับ่าตั้งแต่ประสวดาบันรักตะคานาคาแต่ก็ไม่ได้พูดถึง แล้วก็พระอาหารหันด้วยนะฮะบางทีก็พูดถึงคุณสมบัติที่ท่านเหล่านั้นได้บรรลกุก็เรื่องที่น่ามาทบทวนพิจารณาแต่มาความว่าเราคงจะปฏิบัติเต็มร้ยเอร์เ็นไม่ได้นะฮะแต่อย่างน้อยสักยี่สิ้าเปอร์เซ็นสมสิเปอร์ซ็นก็บุญแล้วนั้นก็คือกิเลสประเภสังโยชน์ที่ เป็นเกณฑ์กําหนดความเป็นพระยะบุคคลคือพระยะบุคคลนี่ถ้าพูดอีกแนวของไตรสิกขามันจะพูดอีกแนวหนึงพระโสดาบันนั้นศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพระสักกัาคามีก็เหมือนกันพระนาคามีนั้นศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณแต่ถ้าเป็นพระหานแล้วก็สมบูรณ์หมดคือไตรสิกขาเนี่สมบูรณ์หมด สมบูรหมดก็ทำลายอาวิชาซึ่งเป็นรากเงาของสัรพกิเลสทั้งหลายก็บรรลุอานสวาญาณอานสวยาคยานอยู่พวกเดียวนะฮะคือพระหัน์เพราะในอาสวาสามข้อเนี่ยข้อหลังจึงเป็นอานสวาเป็นอวิชาสวะอาสวาคืออวิชาพระยบุคคลระดับอื่นทําให้จางลงไปคลายลงไปบรรเทาลงไปแต่ว่าถอด ร, ราก เงาของกิเลสเหล่านี้ยังไม่ได้เพราะฉ่นั้นถ้าเรามองในจุดนี้แล้วก็เป็นทางที่จะดำเนินตามได้แต่ละระดับถีถ้ามองที่ศรัทธาพระโสดาบันนั้นถือว่าเป็นศรัทธาที่ยังหลงมั่นคงในคุณของพระพันตนรใจแล้วก็ใจศกขา ก็เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยศรัทธาเรียกว่าโสตาปัิยังคะคือคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยถ้ามองด้านศรัทธาก็จะเห็นศรัทธาของนัน่าจะหนักแน่นมั่นคงในคุณพัฒนาัยในใจสิค้าไม่หวั่นไหวทีนี้เกณฑ์กาหนดตรงนี้ถ้าเกณฑ์ที่สมบูรณ์ก็แน่นอนก็ต้องเป็นพระยบุคคลแต่เกณฑ์ระดับศีลธรรมจริยามันเป็นบทพิสูจน์ ลักษณะคนที่มีศรัทธาก็คือสนใจใส่ใจใครที่จะพบท่านผู้มีศีลแล้วก็ชอบที่จะฟังพระสัจธรรมสนใจที่จะฟังพระสัจธรรมและพยายามปฏิบัติขจัดมุญทินคือความเสน่์ออกไปจากใจเพราะอไรเพราะว่าศรัทธานั้นมันเป็นปฏิบัติต่อมัจจริยะ สุศภามีลักษณะโปรงใสแต่ว่าความเสนีนี้มีลักษณะขุนมัววันเมื่อความปองใสมันเกิดเนี่ยมันก็สลายความขุนมัวให้จางคลายลงไปโดยลำดับวันลักษณะเด่นเราเนี่ยที่จริงก็เป็นเป็นข้อที่สามารถถือตามปฏิบัติตามได้ใครจะพบผู้มีศีลใส่ใจที่อยกฟังพระธรรมแล้วก็พยายามก็จัดบุญทินคือความสน เรวก็จริงสองข้อแรกในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการฟังเทศทางวิทยุฟังธรรมะทางวิทยุดูรายการโทรทัศน์อ่านหนังสือหรือว่ามีซีดีมีวีซีดีอะไรต่รรางๆมันเยอะมากเลยเนี่ยเพราะหลักที่เราจะต้องทำจริงๆก็คือพยายามขาจัดมุนทิมหรือความสนีออกไปจากใจ รความเจนีเนี่ยมันลักษณะแก่แคยางเหนียวมันมันเหนียวรั้งจิตของคนเอาไว้หรือทำให้ยึดติดอยู่ในที่ต่างๆเคยศึกษาเรื่องประวัติของพวกเปรตที่เป็นอะไรนะปูโสมข้อทรัพย์ที่เราเรียกปูโสมข้อทรัพย์หรือพวกสมภารเจ้าวัดบางทีตายไปแล้วแทนที่จะไปเกิดดีนะฮะก็เป็นเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนั้นเนะ่เป็นผู้มเทวดาอยู่ที่นั่นเอง เร า, าประยุติตในวัดปักใจฝังใจเป็นวัดของเราตายแล้วแทนที่จะไปเกิดในที่ดีก็ามากลายเป็นผู้สมเป็นเจ้าที้เป็นภูมิเทวดานะพูง่ายว่าเป็นภูมิเทวดานั่นแสดงว่าลักษณะสนีประยุ ต, ตยิอะไรเป็นของเราไว้ ใ, ในจิตมันจะเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้น มันจึงมีอาการสุมเสียงโตนาลประธานเนี่ยก็สุมเสียง น, นะฮะพออยากแล้วก็ยึดยึดยึดด้วยความอยากแล้วก็อยากแล้วก็เปนเหน็ดยึดมันก็ติดกันด้งนั้นถ้าเรามองแนวพระโสดาบันตรงนี้ก็พุทธู้ฝึกหัดตัวเองกระจัดบนทินใจคือความตะนนิยออกไป ให้เหนี่ยอาการจางไปคลายไปมันเท่าไปกับความเจริญแล้วข้อต่อไปถ้าเรามองในด้านปัญญาเนี่ยพระโสดาบันมีปัญญาที่สมบูรณ์เขาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นมีปัญญาเนีนยชอบตามความเป็นจริงคือหมายความว่าความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงเนี่ยท่านจะเห็นสอบตามนั้น แล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเงื่อนไขปัจจัยอะไรก็ตามเห็นเขาจะให้ท่านปฏิเสธพ ร, รัตนาไตรอย่างเนี้ยท่านก็ไม่ปฏิเสธแไปกล่าวว่าบาป บ, บุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีความดีความชั่วไม่มีเนี้ยท่านจะไม่พูดเพราะฉั้นตรงนี้ถ้าเราจับหลักเรียกว่าฉายาโซนาบันคือพยายามปฏิบัติจิตให้เข้าสู่รบเงา ของโสดาบันไดเป็นการยกจิตขึ้นสูงสูงเหนืออะไรก็เหนืออำนาจของกิเลสโสดาบันเวลาเรามองด้านกิเลสเนี่ยท่านไปล่าสังโยชน์ได้ทั้งสามล่าได้เด็ดขาดแเราก็ทำแบบแบบเด็ดขาดไม่ได้ก็ทำยังไงว่าสายหลักของความคิดเนี่ยแนวโยนิโสปนิการคือพยายามคิด ให้คล้อยตามญาณของพระสุตดับันเพราะสัจธรรมจริงๆเนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นถือว่าความเห็นเป็นตัวเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้าเป็นตนตนมีในขันห้ากันห้ามีในตนอะไรที่เขาเห็นกันในตามคติความเชื่อแบบพราหม์แล้วก็จริงมันไม่มีตัวตนอะไรทั้งนั้น อย่าน้อยก็บันเทาความยึดมั่นถือมัน่นโดยความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราเราสังเกตเราไปในที่ใดโดยไม่ได้ไปคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือจะนั่งที่ไหนก็ได้จะยืนที่ไหนก็ได้แล้วแต่แม้แต่รับประทานอาหารจะดื่มน้ำอะไรตออะไรเนี่ยคือเขาใส่ภาชนะอะไรมาก็ได้สะอาดก็ได้คือจะไม่รู้สึก แต่ถ้าเราเอาอัตตาตัวตนเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับเขาไม่ให้เกียร์คล้ายๆคนรู่มินงที่พระเจ้าเคยสอนพระองค์พระโมคคัลลานะในข้อแรกเนี่ยดูก่อนโมคคัลลานะเธอพึงศึกษาสังเกว่าเราจะไม่ชุง่งงงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุล หมายความว่าถ้าเราใหญ่ไปแล้วด้วมาสที่ใหญ่เนี่ยมันจะทําให้ลําบากนั้นลําบากไปหมดแเอแล้วสังคมเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงเอาเก้าอี้เหมาะสมแก้วน้ําเหมาะสมอะไรต่างๆในสารพัดแต่ถ้าไม่เอาอัตราเข้าไปให้มันเขื่องๆ อ, อย่างนั้นอะไรก็ได้เราสำเร็จประโยชน์คือไม่ต้องไปยึดมัน่นหรือบ้านอะไรมัน เรานลิกดูว่าพระพุทธเจ้าเคยรับอาหารระบินทบระจากพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งแกถวายอาหารที่เป็นเศษคือแกกินกินค้างอยู่พอเห็นพระพุทธเจ้าคือสทธานเริ่มใสก็ถวายพระเจ้าก็สรงอนุเคราะห์แกพราหมณ์เพราะว่าพราะงม่มตาตัวตนที่จะไปยึตตดจิตอะไรวันถ้าเราลดอัตตาตัวตนลงไป หน่อยอย้ายเครื่องมากก็จะสบายแล้วก็เรารู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็จะมีลักษณะอย่างนี้คือยัง น, อย ง, นออยงนึกว่าในเวทวงของพระเวรนี้มันเกือบจะแก้ไม่ได้ใช่ว่าในกรณีที่มีสมณะศัก์แล้วก็ไปกินมิมนอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเป็นพิธีหลวงแล้วก็นั่งตามสมณะศรรักิ์เนี่ย ก็ไม่ได้ว่ากันก็เรียกวาราชานงนวติตุงคือคล้อยตามบ้านเมืองไปแต่ว่าตามปกติแล้วก็ควรจะนั่งตามดับพันศาขณะมันเกิดเวลานี้เราก็ถูกผู้ใหญ่ที่ส ม, มรรถสั์ท่านต่ำกว่าแต่ว่าพันศาท่านสูงกว่าท่านก็สั่งท่านก็ผลักเราขึ้นไปข้างบนเลยจะขอให้ท่านนั่งข้างบนเราก็ไปบังคับท่านไม่ได้ มันก็เกิดเป็นปัญหานะฮะแล้วผลรุธนทาย่ังน้อ ก, กว่าตัวเนี้ต่อไปจะเป็นจารีตไปเลยคือพระจะนั่งกันตามสมรมนาศึกในเรียกว่าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไปสมองก็เสียไอตัวสาระของความเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาที่จะต้องให้ความเคารพกันตามลำรับพัรษาความสำคัญของพระธรรมวินัยน้อยลง แต่ว่าไปให้ความสาคัญแก่อายุสักไม่มากเกินไปจะไปเจอในวัดแห่งหนึ่งวันก่อนเ น, อนี่ยไปคืออาตมาพันษาก็น้อยกว่าประมาณสักสองสามองนะฮะกิจเหตุนเนี่ยแต่ท่านก็เป็นพระครูท่านก็ลงไปอยู่ข้างล่างริบๆเลยแต่ท่านก็ผลักให้เราขึ้นมา ก็เียงงอนกันก็ต่อรองกันก็ท่านก็มายอมขึ้นเราก็มายอมลงก็ยืนยันนอยู่ตัวนั้นราชาคณะรูปหนึ่งเป็นชั้นรา่าท่านบอกโอ้ยสมณศักดิ์เนี่ยมันก็ลำบากเกินเลยยุย่งยากเหมือนกันแันนี้ก็คือคือไอตัวมานะที่รู้สึกว่าเป็นเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปทานไปคือยึดติดมากไป แล้วก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือตัญหาลดความรู้สึกเป็นของเราไว้น้อยๆลงเพราะพวกนี้มันเชื่อมโยงกันนัสามอย่างศาสนามานาทิจินี้เขาเชื่อมโยงกันแล้วข้อต่อไปก็คือความเครือแคลงสงสัยในเรื่องของพระรัตนาไกลในใจสิกขาในเรื่องอดีตอานาคตทั้งอดีตอานาคตกฎของปฏิการเรือนี้จริงเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยสีข้อแรกคือประรัตนไตรพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ใจสือขาเนี่ยคือเราเชื่อตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกคือไม่ต้องไปเสียเวลาให้มันมวุ่นวายกับเรื่องแบบนั้นแต่ส่วนเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตกฎของปัจจัยการกฎกฏกกฎของปัจจัยการที่จริงก็คืออริยสัจ เราก็เชื่อตามที่พระเจ้าสงแสดงไว้มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีสังสารวัตรอะไรอะไรเราก็ไม่เห็นหรอกเราเลึกชาติไม่ได้แต่พระเจ้าสรงแสดงว่าอย่างนั้นระหันทั้งหลายท่านก็นาสืบ ม, มาอย่างนั้นยานที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามมันก็รู้เห็นอย่างนั้นและการเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายเชื่อแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เราละช่วระติ เราก็ไม่ต้องการบังเกิดแนอาบายแม้แจะไม่อยากเกิดสวรรค์นะแต่เราก็ไม่อยากเกิดในอาบายมันก็ช่วยอะไรได้เยอะพระสกทาคามีนั้นทำราคาโทสะโมหายเบาลงก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเบาขนาดไหนเพียงแต่ว่ายังไม่เคยพบพระสกทาคามีที่มีครอบครัว ก็แสดงว่าคงเบาลงไปเยอะคือปรศรบันนั้นมีครอบครัวแต่ว่าศีลห้าเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติหมายความว่ามามาพร้อมกับมัวก็ไม่ละเมิดศีลที่เป็นเหตุตกกระบายจะปิดประตูนรกได้ตั้งแต่เป็นประศระบันนะฮะคือปิดประตูนรกแน่นอนแต่ว่าคนอื่นนี่ที่จริงไม่แน่นะแม้แต่พรมเองก็ยังไม่แน่ เพราะว่าชาติเนี่ยมันเสื่อมได้แต่ว่ามรรคผลเนี่ยไม่เสื่อมก็เรียกว่าเป็นน ก, กุปธรรมคือไม่กำเริบแต่ถ้าเราไปศึกษาพวกนิกายต่างๆหกสิบแปดนิกายนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะทีนียมันก็ต้องเชื่อมั่นในหลักธรรมในเทรวาตถ้าไม่งั้นก็ดีความก็เรื่อยๆก็เลยไม่มีทิศทางอะไรที่ชัดเจน คนเขียนบ้านว่าพระบาลีพุทธวจานะนี้นำสืบต่อกันมาจากการสัญญาณของพระอรหันต์อย่างน้อยที่สุดนี่สามสี่ครั้งด้วยกันสี่ครั้งด้วยกันก็สี่ร้อยกว่าปีเราสัญคาณทบทวนมาโดยพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็ต้องยอมในประเด็ดนนี้ถ้าไม่งั้นก็สับสนแล้วข้อต่อไปก็คือถ้านาคามีนั้น เป็นคารวาสมุนีนะครับหมายความว่าท่านก็อยู่ที่บ้านแต่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องเพศสามีกับภรรยาอาจจะอยู่ด้วยกันทั้งทั้งทงสองท่านเป็นพระอนาคามีแล้วก็อยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องเพศก็แสดงว่าเข้าถึงศีลแปดที่สมบูรณ์พอตัลลากามาราคา ขอความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ไม่ได้แล้วละปฏิฆะด้วยความหงุดหงิดการกระทบกระทั่งความโกรธความไม่พอใจต่างๆลงไปได้ก็เรียกว่าผู้นี้ที่ริงได้สักส0มสเอนี่้ารซนลดความเข้มข้นของกิเลสลงมาเป็นการขัดเกลาจิใจใจมีความประนีตขึ้น เป็นภารกิจที่ต้องทำหนคะือมันต้องเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเราเห็นความแก่เราเห็นความเจ็บเราเห็นความพัดพรากสูญเสียแล้วก็เห็นอวัยวะต่างๆในร่างกายเราที่มันตายไปเส้นต่างๆที่ตายไปผมตายเล็บตายหนังตายอะไรๆ ต, ต, ต่างๆนี่เราก็เจออยู่ตลอด ไม่เป็นการบ่งบอกว่าชีวิตเราข้างหน้าเนี่ยน้อยแล้วในตอนเดือนกุมภาเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกคือตั้งแต่มกราตั้งแต่ปีใหม่นะพูดว่าตั้งแต่ปีใหม่มาพระที่รู้จักก็าตายแบบง่ายๆนั่งสมาธิตายก็มีนั่งนั่งเกิดอาการ พุบไปเลยก็มีอะไรแต่ไรเนี่ยคือพอไปงานศพของท่านเหล่านั้นเราก็คิดแล้วก็เตือนสติกันเองนะฮะถ้ามีโอกาสพูดก็จะเตือนสติกันเองว่าวอนตายจะปรากฏเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ว่าแน่นอนข้างหน้าเนี่ยมันสัน้นหรอกแม้เราจะหลอกตัวเองว่าอายุมากอนะแต่จริงอายุน้อย อายุมากมันใช้หมดแล้วอายุข้นหน้าที่จริงอย่างเดือนน้อยอดไรคำพูดบางอย่างเนี่ยมันทำให้ไม่ได้เกิดอนุสติคลายๆกับว่าคนแก่นี่พูดไม่ได้ไม่รับฟังไม่ได้ ร, รับไม่ได้แต่คำว่าแกเรียกว่าผู้สูงอายุมันก็ไม่ค่อยกระตุ้น จิตสำนึกที่จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทในไวัวในชีวิตและในความไม่มีโรคเพราะถ้าเราพยายามทำความเข้าใจคือดูตัวเองว่าเราก็เปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าความตายก็รออยู่ข้างหน้าเมื่อไหร ก, ก็เมื่อนั้นจะเรียกว่าให้พร้อมที่จะตายคือคนดีตามปกติเขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลัวต่อประโลก ประการตายคนดีเหมือนกับการย้ายจากกระต้อไปอยู่ปราสาทเนี่ยไม่มีอะไรเดือดร้อนเมืคุณสมบัติของพระระยะบุคคลเอาเฉพาะสามประเภทเนี่ยนะฮะสามประเภทห้าข้อเนี่ยยังนยกว่าถ้าเรามารักษาศีลห้าข้อได้หรือแม้แต่ว่าจเจริญเมตตาได้ รู้เชื่อมั่นในกฎของกรรมได้เนี่ยฮะจะเอากุศลธรรมไม่ต้องไปนับกิเลสมากขนาดนั้นคุณธรรมเหล่านี้จะทําหน้าที่บรรทอนความเข้มข้นของกิเลสเหล่านั้นลเองเพราะจิตมันก็อยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยศรัทธาอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยขันติอะไรก็ตามนะจะมีธรรมะเป็นหลัก แล้วก็จะดึงดูดธรรมะข้ออื่นให้เกิดเพิ่มขึ้นภายในจิตใจดังนั้นถ้าได้โดยเสด็จแต่าตามรอยเท้าพระหันท่านไปเนี่ยมันก็จะสัมผัสธรรมะได้ลึกขึ้นคุณค่าของชีวิต ย, ยังไงก็ดีขึ้นส่วนตายก็คือยฮนะ คือเป็นความพร้อมที่จะตายแล้วก็พร้อมที่จะอยู่สิ่งนี้น่ากลัวคือตายก็ไปตายอยู่ก็อยู่ไม่ดีนอนนอนอยู่บนเตียงขยับขยืดไม่ได้คนอื่นต้องดูแลอะไรแต่ไหนมันเป็นภาระราต่อคนอื่นเยอะจังเพรนั้นพระจันนั้นแล้วบอกโอ้ยเราอย่าไปอยู่ถึงถึงอย่างงั้นเลยคือเห็นว่าทําประโยชน์อะไรไม่ได้ก็าตายเลย ก็ไม่ต้องเป็นภาระอะไรให้ใคร ๆ, ๆแต่อีกแล้วเราก็เลือกไม่ได้สิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปตามกรรมของมันทีนี้พระกุณฑกะพัตติยะนี่ก็ได้มาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเขาก็กำหนดความที่ตัวเองอยังไม่สมบูรณ์คือเป็นพระโสดบันเนี่ยยังมีเรื่องจะต้องศึกษา โลยก็เข้าไปหาพระธรรมบดีเสนาบดีสารีบุตรแล้วก็กล่าวปฏิสันฐานขอให้ท่านแสดงธรรมให้ภาษาลิบุตรแสดงธรรมมันเหมาะสมแก่อัธยาศัยของท่านจสเรียกวราโดยกาถาโดยอนเนกกระปรยายโดยนิยา ต, ต่างๆทีนี้ในตรงนี้พระตถาจารย์ท่านอธิบาย อธิบายคำเทศคือคำเทศเหล่านี้จะปรากฏในพระไตรปิฎกนี้เยอะพอเวล า, ราพระพุทธเจ้าแสดงก็จะมีลักษณะอย่างนั้น อ, อย่างที่เราคุ้นคุ้นดยสี่คำสันทัศนาสมาดาปนาสมุตเตชนาสัมหังสนานี่มันเป็นวิธีการเทศวิธีการเทศของพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้ท่านท่านมายกขึ้นมาอธิบายทีละข้อเพื่อ ให้เห็นว่าวิธีการเทศการสอนด้วยการแสดงของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนีเ่ยเขาเรียกว่าแบบครูะนะเดี๋ยวทำยังไงเราจะเข้าถึงแบบครูเ่านั้นได้ <In cross> <th ase> คือตามปกติแล้วการสอนการเทศเนีเ่ยเขาเรียกว่า <S <S oh, <yeah. S 1> เป็นอนุโลมเทศนาคือคล้อยตามจริตนักพยาศัยของคน ทีนี้คนเนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวเขาเออถ้าหากว่านิสัยเขาหยาบกระด้างแข็งกร้าอย่างเงี้ยมันต้องใช้มาตรการหนึ่งเขาเรียกว่านิยหะมุขาเทศนาคือกำราบซะก่อนกำราบซะก่อนให้ตระหนักให้ละพยศให้ลดความดื้อดันแข็งกร้าวลงไปซะก่อนก็้างนั้นก็ผู้ก็ไม่รู้เรื่อง เรียกว่าค่้ๆกัปรับความพร้อมนั่นแหละแต่ ว, วิธีการในการปรับความพร้อมปรับยังไงจะว่ากันไปตามเหมาะควรแ ก, กร่กรณีของบุคคลเหล่า น, นังนั้นหนึ่งเขาเรียกอนุกามุขเทศนาคือคนพร้อมอย่างพระละกุณถกะภัฒยาเนี่ยละกุณถกะพัิยานะหรือท่านเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องเริ่มที่หยาบคือมันละเอียดได้เลย ละเอียดตัวเนี้ยท่านอธิบายว่าได้แสดงธรรมะโดยอนเนกกับปรยายคือนิยัตต่างๆมันไปเชื่อมกับตัววิปัสนาวิปัสนากรรมฐานที่ท่านเจริญเนี่ยแล้วท่านก็แสดงเรื่องเบญจขันธ์เบญจขันธ์มันก็ต้องไปเข้าในกฎของไตรลักษณ์ เพราะว่าท่านเป็นพระโสดา บ, บันแล้วก็โครงสร้างในการสอนเนี่ยมันก็แนวเดียวกับอนัตตลักษณสูตรสนแต่อนัตตลักษณสูตรเริ่มต้นที่อนัตตาเห็นแต่ว่าพอ ม, มันแสดงตรงนี้ศาสาริบุตรก็มาเริ่มเทียนีิจังการจะเริ่มตรงใดนั้นก็ดูที่คนนะฮะดูที่พื้นฐานของคนว่าเขาพร้อมจะรู้ธรรมะโดยวิธีใดก่อน แล้วท่านก็ยากย้ายเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงคือจุดเน้นเบญจขันธ์ที่จริงมันครอบโลกนะยกเว้นนิพพานนะะนอกนั้นมันก็อยู่ในเบญจขันธ์ทั้งนั้นก็จะเป็นระบบสุริยะจักรวาลอะไรดวงดาวสักกี่แสนกี่โกดล้านดวงก็ตามมันก็เป็นรู ป, ปรขันธ์เนี่ยมองโดยสรุปอะที่จริงถ้าเรามองอะไรโดยสรุปสรุป ก็ไม่เคยจะยุ่งยากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราสะสมอะไรไว้เยอะมันทําให้ความคิดมันหลากหลายมันเกิดวิจิตแล้วก็เรื่องเหล่านั้นทางทางที่มันภาพลวงนั้นมันคือไม่จริงทังอย่างเนี่ยแต่ว่าเรายึดจิตในความสมมติของเราอะยกะตัวอย่างเช่น เราเป็นศาสนิกในศาสนาเอาแน่เมืองไทยเรามีห้าศาสนาคือถ้าถามมาแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นศาสนิกศาสนานั้นหรือไม่เมื่อก็เปล่าเราก็ไม่รู้ชาติก่อนเนี่ยเรานักศาสนาอะไรเราก็ไม่รู้แล้วเราตายไปแล้วเราเกิดที่ไหนนักถือศาสนาอะไรก็ไม่รู้เพื่อทางความคิดที่ดีของศาสนิกในแต่ละศาสนาเนี่ย เมื่อเราเป็นศาสนิกในศาสนาใดก็ตามก็พยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นไม่ใช่ไปยึดติดไปสร้างความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแบ่งฝ่ายรบ ก, กันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่สาระถาของศาสนาเพราะศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อการนี้ศาสนาเกิดมาโดยพื้นฐานของอหิงสาธรรมหรือการไม่เดือดเดียว เจตนาลมัสซาดาทั้งหลายไม่ว่าองค์ไหนก็ตามนะคือเจตนาที่จะสร้างสังคมแห่งมิตรภาพสังคมแห่งสันติขึ้นแล้วก็เน้นไปที่หลักของไอหิงสาธรรมคือการไม่เบียดเบียนเพราะอะไรเพราะชาโลกมันเบียดเบียนสัตว์โลกเบียดเบียนกันเป็นผู้ล่าเป็นผู้ถูกล่าแล้วก็มุม่งมาปรารถนาที่จะล่าคนอืน่น ทำบาทำกรรมกันสา ร, รพัดผลดท้ายไอ้สิ่งที่เราทำเพื่อเนี่ยเราก็ไม่ได้ครอบครองเ ช, ช่นสมมุติว่าเราก็ทำในนามศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนาโน้ น, นจนถึงทำชั่วไนะทำดีทำไปเต็มก็ไม่ได้ว่าอะไรเหลักการาศาสนาต่างๆก็สอนให้คนทำดีตามต้นงควรแก่ ฐานะของคนเรานั้นที่ทำชั่วเนี่ยจริงเราก็ตกจากศาสนามาตั้งแต่ต้ น, ตนหรือก่อนที่เราจะตายรื้ทำไปเนะ่พฤติกรรมเนี่ยมันตกจากศาสนาไปเองมันมาตรวัดของความเป็นพุทธเนี่ยเราจะบอทพิสูจน์ง่ายๆก็คือลวชั่วทำดีทำกีฬาปลอดแผวพูดง่ายอย่างนี้น คนพุดจะต้องแสดงคุณลักษณะของผู้รู้ผู้อื่นแล้วก็จิตใ จ, จ่านที่เบิกบานถ้า ม, มีความก้าวร้าวบุนแรงเป็นเราเป็นเขายุ่งไปหมดมันก็ไม่ใช่เนื้อหาสาระของความเป็นพุธเพราะอะไรเพราะออกระจรในขันห้าเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่จะติดเราไปจริงๆก็คือ สังขารขันกับวิญญาณะคัเป็นกระบวนการทางจิตนะฮะแล้วก็บุญกับบาสนะบุญกับบาปนะบกาปิเลสธรรมะในระดับต่างๆก็ติดตามไปเพราะถ้าเราเข้าใจเราเข้าใจแล้วโอกาสที่เราจะไปแบ่งแยกจนถึงกับแบ่งขวายรบกันเนี่ยนะ เหมือนก็ไม่รูก้กันไปทำอะไรเพราะว่าเจตนาเป็นเหตุในรบ ก, กรันรบ ก, กันเข่งข่าการทำลายนั้นเป็นบาปแล้วไปทำลายพบชาติของเราให้หยาบลงจนบางครั้งก็ตกนรกซึ่งก็กว่าจะไต่อันดับขึ้นมาได้อีกคนนานนะนะถ้าตกนรกแล้วก็นานเลยเป็นเรื่องใหญ่นั้นเราจะเห็นว่า การศึกษาทำความเข้าใจกับสังขารเนี่ยมันเป็นมองกระบวนการของธรรมชาติที่เราไปเหนี่ยวรั้งอะไรไม่ได้คือไปหยุดอะไรเข้าไม่ได้เลยทัทง้ทงทั้งทั้งสามข้อเนี่ยทั้งความไม่เที่ยงทั้งความเป็นทุกข์ทั้งความเปลนตตาเนี่ยเราก็ไปหยุดอะไรเข้าไม่ได้เขาก็คงเป็นอย่างที่เขาเป็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิงนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวเชิดตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวชิตนสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวเชิตนของเรานั่นคือจริงๆเน้่ก็เป็นอย่างไงแล้วเราก็ทอดทิ้งสิ่งทั้งหลายไปแต่ว่าเราสูญเสียเวลาในทางสารวัตรเพื่อ <mm เพื่อได้มาครอบครองซึ่งสดวนใหญ่จะเป็นรูปขันนะนะั่นแะ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปประคันที่เรามอครอบครองเนี่ยรูปประคันที่จริงมันเป็นสมบัติของโลกการในรูปเหล่า น, นั้นให้สุขให้ทุกเนี่ยเป็นเรื่องปรุงคิดคิดปรุงของเราเองเราก็หมดเราเราเองฮะว่าให้มันเกิดสุขหรือเกิดทุกเนี่ยเราคิดเราเองถ้าเราชอบมันก็เป็นเรื่เกิดสุขเราไม่ชอบก็เป็นเรื่เกิดทุกให้ลองสังเกตว่าคนที่เรารู้จักสนิทสนมคุ้นเคยแม้แต่ภายในบ้าน แม้แต่สามีกับพันยาแม้แต่พี่กับน้องคือบางทีก็เป็นที่ตั้งแห่งความรักบางทีก็เป็นที่ตั้งแห่งความชังบางทีก็เป็นที่ตั้งแห่งความเฉยๆเก็แสดงว่าอยู่ที่การคิดของเราเฉยๆล้วก็อยู่ไม่นิ่งอ่ะแม้แต่ความรู้สึกมันก็ไม่นิ่งบางทีสามีพันยาก็ทะเลาะ ก, กันตอนช้าทะเลาะ ก, กันตอนเย็นเย็นก็ดีกัน หรือว่าอยู่สองสามวันก็ดีกันเน่อะไรเนี่ยมันก็เห็นเห็นชัดเจนว่าทุกเรื่องเนี่ยมันไม่เที่ยงทีนี้เมื่อไม่เที่ยงเนี่ยท่านยังไงจะคุมทิศทางของความไม่เที่ยงไม่ได้เหลือมันอยู่ในทิศทางคล้ายๆกับว่าเรานั่งบนสมมติว่าก็นั่งในเรือแล้วก็เรือก็ถูกน้ำพัด หมุนไหลไปเรยากย็พยายามคุมทิศทางพยายามคุมทิศทางของเรืออย่าให้เข้าไปในวังวนอย่าให้ไปโดนคลื่นแรงๆอย่าให้ไปชนอะไรแต่อะไรต่างๆก็เพื่อลดความสูญเสียลงเถือมันสูญเสียถทาที่มันสูญเสียนั้นแนวาการวิพัฒนาเนี่ยที่จริงเราก็เห็นในชีวิตประจำวัน คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาของสิ่งทั้งหลายเนี่ยตอนเช้าสมมติว่ารับประทานกาแฟถ้วยหนึ่เราก็เห็นแต่รักแล้วกาวแฟถ้วยนั้นเน่ยมันไม่เที่ยงมันเริ่มจากเย็นแล้วมาเป็นร้อนแล้วมันจะเป็นเย็นเมื่อก่อนของเย็นทั้งนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็มานทาให้ร้อนเสร็จมันซึมสู่สภาพผ้าของมันก็เย็น เราอยู่ในจุดหนึ่งก็ดื่มได้อยู่จุดหนึ่งก็ดื่มไม่ได้งั้นก็ก น, นี่ก็คือกฎของแต่ละ ก, ก็เห็นกันอยูอ่เราเห็นอะไรอยู่เยอะในเรื่องเราเนี่ยแต่ว่าใจไม่ยอมรับเวลาเราประสบประสบกับความกินข้าวเนี่ยใจมันมันมกจะไม่ยอมรับหรือค่อนข้างจะต่อต้านนะ มันลองสังเกตเราต่อต้านความแก่ต่อต้านความเจ็บต่อต้านความตาย ต, ต่อต้านการคัดพรากแต่พอเอาข้อใดๆละเอียดเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้จะ อ, อะไรเพราะถ้าคนอื่นเจ็บเนี่ยศัตรูเราเจ็บเราชอบศัตรูเราตายเราชอบศัตรูเราสูญเสียเราชอบแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดแก่คนที่เรารักเกิดแก่ตัวเราเราไม่ชอบนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเราเข้าไม่ถึงความจริง เพราะว่ามันจะเป็นอย่างที่มันเป็นเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเน่ยฝนตกก็คือฝนตกอ่ะเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็คือตกแต่ว่าทํายังไงเราจะหาประโยชน์จากนะจากฝนที่ตกมาได้ฝนแรงก็คือฝนแรงเราชอบหรือไม่ชอบมันก็แรงแต่มันคนละเหตุปัจจัยกันเนะ่ยแต่ว่าทํายังไงเราจะหาประโยชน์จากฝนแร <diesem S 2> <ไ>งได้เพหลักการในการครองชีวิต พูะจะาทงสรุปไว้ในทิศหนึ่งว่าประโยชน์ปุ่นเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆให้บุคคลใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆเป็นลักษณะการปฏิบัติของคนที่มีสติสมรจัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้เท่าทันทังความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งฝันทั้งหลายเสียงฟังจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไพยบูรณ์ในธรรมต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี